หญ้าสดในทะเลทรายพระราชาเรื่องเป็นมาอย่างนี้สมณะรูปหนึ่งผิวพรรณโปร่งใสมีอินทรีย์สงบ ดำเนินอย่างเชื่องช้าออกจากโคจรคามท่านมีจักสุที่ทอดตรงต่ําจะเลี้ยวซ้ายแลกขวาคดเต็มไปได้วยความสํารวมระวังมั่นคงและแจ่มใสผ้าสีเหลืองหม่นที่คลุมกายแม้จะเป็นผ้าราคาถูกแต่ได้กลายเป็นของสูงส่งและศักดิ์สิทธิ์ควรแก่การเชื่อจูบูชาเพราะได้มหอหุ้มสรีระของผู้สงศีลมีใจอันประเสริฐ ใครเห็นก็น้อมกายลงเคารพกาสาวพัสสัญลักษณ์แห่งความมริสุทธิ์สูงส่งที่พระมหาสมณโคดมบรมศาสดาแห่งพระบวรและพระพุทธศาสนาเคยตรัสว่าผู้ใดคายกิเลส ท, ที่เหนียวแน่นดุดน้ำฝาดได้แล้วมั่นคงในศีลประกอบด้วยการฝึกอินทรีย์และมีสัจจาผู้นั้นควรห่มผ้ากาสาวะ กาสาวพัฒน์ธงชัยแห่งผู้มีชัยคือชนะจิตตนเองได้แล้วใครเล่าจะรังเกียรกาสาวพัฒน์ถ้ากาสายะนั้นห่อหุ้มร่างของบุคคลผู้มีกายวาจาใจสะอาดสมควรแก่ปุ่มชั้นของตนหนุ่มใหญ่สง่างามเครื่องแต่งกายบอกว่าเป็นนักพรตประเภทปริภาชกได้เดินตามสมณรูปนั้นไปห่าง กิริยาอาการของสมณะนั้นจับตาจับใจของเขายิ่งนักเขาคิดว่าภายในของสมณะรูปนี้น่าจะมีรัศมีแห่งธรรมอันประเสริฐส่องแสงเจิดจ้าอยู่เป็นแน่แท้จึงทําให้ท่านมีอินทรีย์สงบและผ่องใสเช่นั้นมาถึงบริเวณร่มม้าใหญ่แห่งหนึ่งสมณะแสดงอาการว่าจะนั่งผู้เฝ้าติดตามจึงจัดอาสนะถวาย รอคอยท่านฉันไม่กล้าถามอะไรเพราะเกรงใจท่านเห็นอาการที่ท่านฉันยิ่งเลื่อมใสมากขึ้นท่านฉันอย่างสำรวมเรียบร้อยมีอาการแห่งผู้กำหนดรู้ในอาหารรู้คุณและโทษของอาหารไม่ติดในรสอาหารไม่บริโภคเพื่อเล่นเพื่อเมาหรือเพื่อสนุกสนานอริจอร่อยในรสอาหารแต่ว่าท่านบริโภคเพื่อให้ร่างกายนี้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 ดวงตาของท่านแสดงแววแห่งเมตตาและความสงบลึกอยู่ภายในบ่งบอกว่าดวงใจของท่านพ่องแผ้วไร้ราคีใกลแสเสียงที่นุ่มนวลแจ่มใสผ่านโอดของท่านออกมาว่าดูกนผู้สแสวงหาสันติวรบทพระศาสดาของข้าพเจ้าตรัสว่าผู้ใดไม่เศร้าโศกถึงอดีตไม่กังวลถึงอนาคต มีชีวิตอยู่ด้วยปัจจุบันธรรมผิวพรรณของผู้นั้นย่อมผ่องใสแม้จะ บ, บริโภคอาหารหนเดียวตะวันประพฤติพรมจันสงบนิ่งอยู่ในป่าส่วนผู้ที่มัวเศร้าโศกถึงสิ่งที่ล่วงแล้วกังวลหวังอย่างเล่าร้อนต่อสิ่งที่ยังมาไม่ถึงย่อมสูบซีดเศร้าหมองเหมือนไม้สดที่ถูกตัดแล้วกังวลหวังอย่างเล่าร้อนมนุษย์ส่วนมากเป็นอย่างนั้น เขาไม่ค่อยรู้จักรอคอยอย่างสงบเยือกเย็นเขาไม่ค่อยรู้ไม่ค่อยเข้าใจว่าเขาบรรดาญผลไม่ได้เหตุที่เขาทํานั่นแหละจะบรรดาญผลให้เกิดกันเองเหมือนชาวสวนปลูกต้นไม้คอยรดน้ำพรวนดินให้ปุ๋ยป้องกันศัตรูพืชนั่นคือเหตุส่วนว่าการออกดอกออกผลชาวสวนบรรดาญไม่ได้กระบวนการตามธรรมชาติของต้นไม้นั่นเองนั่นแหละ จะบรรดาให้เกิดขึ้นตามธรรมชาติของตนมนุษย์ส่วนใหญ่ไม่ได้กำหนดคุณค่าแห่งชีวิตของตนให้แน่นอนว่าอะไรคือสิ่งที่เขาต้องการจริงๆเมื่อเป็นดังนี้เขาจะมีชีวิตอยู่อย่างสงบสุขไม่ได้เขาจะไม่พบความพอใจในชีวิตสิทย์แห่งพระธราคตกล่าวต่อไปว่าข้าพระเจ้าบวชอุทิศพระบรมศ า, ศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้เสด็จออกบวชจากสากยะตระกูลโคตมะโครธพระองค์ทรงเป็นสากยะมุนีข้าพเจ้าชอบใจธรรมของพระองค์ท่านได้โปรดเถิดท่านผู้นิรุตุขอได้โปรดแสดงธรรมที่พระมหาสมณโคดมทรงแสดงแล้วแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดท่านผู้สแสวงสัจจะข้าพเจ้ามาสู่ธรรมวิไรนี้ไม่นานนักยังเป็นผู้ใหม่อยู่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 การเข้าใจทำแทงตลอดธรำเป็นหน้าที่ของข้าพเจ้าข้าพเจ้าต้องการแต่ใจความเท่านั้นสาวกของพระพุทธเจ้าจึงกล่าวว่าสิ่งใดเกิดแต่เหตุพระตราคตตรัสบอกเหตุแห่งสิ่งนั้นไว้ด้วยสิ่งนั้นดับไปด้วยวิธีใดพระตถาคด ต, ตรัดบอกวิธีดับไว้ด้วยพระมหาสมณะมีพระวาจาอันประกอบด้วยเหตุผลอย่างนี้ พระราดาสาวกของพระพุทธเจ้าแสดงธรรมอันเป็นหัวใจแห่งอริยสัจคือธรรมอันเป็นเหตุและธรรมอันเป็นผลโดยย่อดังที่กล่าวมานี้สมุทัยและมรรคเป็นส่วนเหตุทุกข์และนิโรธเป็นส่วนผลนอกจากนี้ยังดึงเอาหัวใจของปฏิจจสมุปปบาทคือธรรมที่อาศัยการเกิดขึ้นและอาศัยการดับไปมาแสดงนาทีนี้ด้วย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 สิทธิ์พระสากยามุนีมหาสมณโคดมพิจารณาถึงประโยชน์และจึงกล่าววาจาว่าท่านผู้สแสวงสจจะเมื่อพระสิทธธรรมาบุรุษตัดสินพระไัยสละโลกยสุขอันไม่ยั่งยืนเจือด้วยทุกออกสแสวงหาคุณธรรมอันยิ่งใหญ่ที่เรียกว่ามหาพิเนสกรมเพื่อบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะเป็นธรรมอนำสัตว์ให้ออกไปจากทุกแห่งสังสารวัตนี ข้าพเจ้าเป็นผู้หนึ่งที่ตามเสด็จออกบวช ด, ด้วยเพื่อว่าพระองค์ท่านได้บรรลุธรรมอันใดแล้วจักแสดงธรรมอ น, นั้น์แก่ข้าพเจ้าบ้างเมื่อพระองค์ทรงบำเพ็ญทุกขระกริยาอันเข้มงวดไม่มีผู้ใดทำยิ่งกว่านั้นได้ข้าพเจ้าเป็นผู้หนึ่งที่เฝ้าโรวนนิบัติพระองค์อย่างใกล้ชิดแต่เมื่อพระองค์ทรงเลิกการบำเพ็ญทุกรกริยาด้เห็นว่าเป็นสิ่งที่ไร้ประโยชน์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 เขตเมืองพาราณสีเมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้แล้วทรงระลึกถึงพวกเราทั้งห้าจึงเสด็จจากตำบลอุรุเวลาเสนานิคมเขตราชคลึกนี้ไปยังอิสิปัตนะมิขายะเขตเมืองพาราณสีเพื่อแสดงธรรมที่ทรงบรรลุแล้วเป็นปฏิการต่ออุปการะของพวกเราที่เคยเฝ้าปรนิบัติพระองค์พระอัธยาสายอันงามนี้ มีอยู่เพียบพร้อมในพระศาสดาของเราทีแรกพวกเราไม่เชื่อว่าพระองค์จะได้ตรัสรู้จริงเพราะเห็นท่านเลิกความเพียรทรมานกายเวียนมาเป็นคนมากๆในอาหารและปล่อยตัวให้อยู่สุขสบายท่านไหนจะบรรลุโลกุตระธรรมหรืออนุตรธรรมได้แต่เมื่อพระองค์ตรัสว่าคำเช่นนี้คือคำว่าเราได้บรรลุอนุตรสัมมาสัมโพธิญาแล้ว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 ตอนแรกพระองค์ตรัสบอกว่าบรรพชิตผู้บวชแล้วควรเว้นทางสองสายคือสายหนึ่งทางชีวิตที่ดำเนินไปเพื่อความหมกมุ่นในกามพัวพันในอารมณ์ไข่น้านาประการทำให้หลงให้ติดให้ยึดมั่นสยบอยู่ทางนี้เป็นทางต่ำเป็นไปเพื่อทุกข์ไม่ประเสริฐไม่มีประโยชน์อีกสายหนึ่ง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 มีความดมริกชอบเป็นต้นเป็นองค์ธรรมตอนที่สองทรงแสดงอริยรสัจสัจจะอันประเสริฐเป็นต้นว่าชีวิตทุกข์เค้าไปได้ทุกข์นานาประการสุขที่แท้จริงของชีวิตจะมีได้ก็ต่อเมื่อความคร่แห่งราคะโทสะและโมหะถูกกำจัดหรือเยียวยาให้หายแล้วโดยสิ้เชิงโลกระ ง, งมอยู่ด้วยพิษไข้อันเรื้อรัง คือตัณหาความร่านใจทยานอยากไม่มีขอบเขตสัตว์โลกถูกเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข์แผดเผาให้เราร้อนไหมเกลียมแต่ก็ยังโลดแล่นไปในทะ เ, ทเลแห่งความอยากอันเบองวางความทุกข์ทนหมนไหมต่างๆจึงมีมาความทุกข์เป็นสิ่งที่ดับให้หมดได้แต่ว่าต้องดำเนินตามมรรคปฏิปทาอันเป็นไปเพื่อความดับทุกนั้นตอนที่สาม ทรงบรรลือศีหนาอย่างอาถานว่าตราบใดที่ยังไม่รู้อริยสัจสีซึ่งมีสามรอบสิบสองอาการแล้วจะไปทรงปฏิญญาณพระองค์ว่าเป็นสัมมาสัมพุโทโธเลยแต่เพราะได้ทรงรู้จริงในอริยสัจสีอันมีสามรอบสิบสองอาการจึงทรงปฏิ ญ, ญาณพระองค์ว่าเป็นสัมมาสัมพุโทโธกระสรู้เองโดยชอบและทรงเน้นว่า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 เป็นโสดาบันยังลงสู่กระแสพระนิพพานก้าวลงสู่กระแสธรรมและจะไม่มีวันถอยกลับจากทางสายนี้เป็นอันขาดส่วนอีกสี่คนคือท่านพัิยะวัปปะมหานามะและอาสชิยังไม่ได้สำเร็จมรรคผลชื่อของข้าพเจ้าเป็นอันดับสุดท้ายในหคนดังกล่าวมาเมื่อพระอาสัชิกล่าวจบลง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 ท่เจริญขอได้โปรดบอกหน่อยเถว่าบัดนี้พระผู้มีพระภาคาศาสดาของพวกเราประทับอยู่นะที่ใดประทับอยู่ที่เวลุวันนี้เองพระอาสิชิตตอบมองดูปริพาชกสิทธิ์ของท่านอย่างเข้าใจในความรู้สึกของเขาพระราดาอุปติสะปริภาชกได้กราบลาพระอาสิชิตไปแล้วด้วยดวงใจที่ผ่องแผ้วชุ่มเย็น อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเลยโอ้โสดาปฏิผลโซดาปฏิผ ล, ผลช่างนาอาภิรม์ชมชื่นอะไรเชนี้สมแล้วที่พระจอมมุนีพุทธเจ้าตรัสว่าโสดาปฏิผลประเสริฐกว่าความเป็นใหญ่ในแผ่นดินประเสริฐกว่าการได้ไปสวรรค์และกว่าความเป็นใหญ่ในโลกทั้งปวงอันว่าบุคคลที่เคยระหกระเหินมานานวนเวียนหลงทางอยู่ในป่ารกอันน่าหวาดกลัว อันตรายนานาประการมีอันตรายจากสัตว์ ร, ร้ายและไข่ป่าเป็นต้นแต่อาศัยบุรุษหนึ่งชี้ทางให้ขึ้นสู่มกคาอันจะดำเนินไปสู่แดนกเกษมแม้จะยังอยู่แค่ต้นทางแต่ก็ให้รู้สึกโปร่งใจมั่นใจในความปลอดภัยฉันใดบุคคลผู้ระหกระเหินอยู่ในป่าแห่งสังสารวัตนี้ก็ฉันนั้นถูกภัยคือความเจ็บความแก่ความตาย ความทุกกายทุกใจเพราะเหตุต่างๆคุกคามให้หวาดหวันท่านพึงอยู่เป็นหนึ่งนิดถูกความไม่ได้ดังใจปรารถนาบีบคั้นให้ต้องเสียใจครั้งแล้วครั้งเล่าแต่เขาก็ยังหวังอยู่นั่นเองหวังว่าจะได้อย่างนั้นได้อย่างนี้พอถึงเวลาเขาจริงความหวังของเขากลับกลายเป็นเสมือนว่าภาพอันซ้อนอยู่ในปุ๋ยเมฆพอลมพัดมานิดเดียว ภาพนั้นก็พันเทือนจางและเลือนหายไปด้วยเหตุนี้เสียงที่ว่าไม่ประสบความสําเร็จในชีวิตจึงระงมอยู่ในหมู่มนุษย์ตลอดมาความจริงมนุษย์ทุกคนได้เคยสมปรารถนาประสบความสําเร็จในชีวิตเป็นระยะระยะอยู่เหมือนกันแต่เพราะเมื่อความปรารถนาหรือความหวังอย่างหนึ่งสําเร็จลงแล้วความต้องการอย่างใหม่ก็เกิดขึ้นอีกบางทีอาศัยความสําเร็จเดิมนั้นเป็นมูลฐาน เขาจึงรู้สึกเสมือนหนึ่งว่ามิได้ประสบความสําเร็จในชีวิตจึงดิ้นรนอยู่ในทะเลเพลิงแห่งความอยากความปรารถนาอันไม่มีที่สิ้นสุดเล่าร้อนและว้าเวหาประมาณมิได้ทุกครั้งที่ความปรารถนาเกิดขึ้นในห่วงหัวใจตราบใดที่ยังไม่สมความปรารถนาความเร่าร้อนในหัวใจก็หาดับลงไม่นอกจากเขาจะเลิกปรารถนาสิ่งนั้นเสีย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 ไม่รู้ว่าอะไรคือทิศทางของชีวิตเหมือนคนหลงป่าหรือนกหาฝั่งบินวนเวียนอยู่ในสมุทรเพราะหาฝั่งไม่พบแต่พอได้บรรลุธรรมคือโสดาปฏิผลเข้าสู่กระแสพระนิพพานแล้วเขาก็รู้ตนได้ทันทีว่าได้ออกจากป่าใหญ่ดำรงตนอยู่ต้นทางอันนำไปสู่แดนกเกษมถ้าเปรียบด้วยผู้ดำผุดดำว่ายอยู่ในมหาสมุทร ก็เป็นผู้ที่ลอยคอขึ้นได้แล้วมองเห็นฝั่งอยู่ข้างหน้ากำลังเดินเข้าหาฝั่งและจะต้องขึ้นฝั่งได้แน่นอนไม่จมลงไปอีกลองคิดดูเถิดคนทั้งสองพวกนั้นจะปลาปลื้มปลาโมดสักเพียงใดชุ่มเย็นอยู่ด้วยธรรมท่ า, ทากลางผู้เราร้อนด้วยเพลิงกิเลสเหมือนหญ้าสดในทะเลทรายเพราะได้แหล่งน้าในทะเลทรายนั่นเองหล่อเลี้ยงโลกนี้เราร้อนอยู่ด้วยกิเลส ทำเท่านั้นที่จะช่วยดับความเร่าร้อนของโลกได้ความจริงอุปติสสะต้องการเหลือเกินที่จะไปเฝ้าพระาศาสดาในทันทีที่ได้ทราบจากพระอาชชิว่าขณะนี้พระพุทธองค์ประทับอยู่ณนะเวลุวันกลันทกะนิวาปะแต่ว่ามิอาจกระทาเชนนั้นได้เพราะระลึกถึงสัญญาที่ได้ให้ไว้กับเพื่อนรักผู้หนึ่งคือโกริตะว่าผู้ใดได้บรรลุธรรมก่อน ขอให้บอกซึ่งกันและกันด้วยเหตุนี้อุปติสจึงรีบกลับมาสู่ปริพาชกา ร, รามคืออารามหรือสำนักของปริพาชกที่ตนและมิตรรักอาศัยอยู่พร้อมด้วยบริวารอีกเป็นจำนวนมากโกลิตะได้เห็นอุปติสเดินกลับมาในสีหน้าที่ผ่องใส ย, ยิ่งนักไม่มีสีหน้าแห่งผู้ที่หมกมุ่นคุ้นคิดเหมือนกับวันก่อนๆจึงอนุมานว่าสหายของเรา คงได้บรรลุธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นแน่แท้พระราดาจิตของมนุษย์นั้นมีลักษณะเป็นประพัฒสอนมีรัศมีส่านออกจิตเป็นอย่างใดย่อมส่านออกทางสีหน้าดวงตาและกิริยา อ, ยาอื่นๆเมื่อจิตโกรธสีหน้าและแววตาเป็นอย่างหนึ่งแววตาแข็งกล้าวมองคล้ำหรือแดงจัดกิริยาอาการแข็งกระด้างตางตังตง แต่ว่าเมื่อจิตเปี่ยมด้วยความเมตตาปราณีสีหน้าก็ผ่องใสแววตาอ่อนโยนกิริยาอาการละเ ม, ะมียดละไมวาจาอ่อนหวานนุ่มนวลเมื่อจิตเศร้าโศกดวงหน้าก็เศร้าหมองสูบซีดแววตาร่วงโรยไม่แจ่มใสกิริยาอาการเงื่องงอยไม่กระปรี้กระเปล่าดูเถิดพระราดาดูอาการซ่านออกแห่งดวงจิตดูรัศมีแห่งจิต หรือกระแสลำแสงแห่งจิตคนที่มีจิตเลาะแหละโลเลคิดจะเอาเปรียบผู้อื่นพอพบเห็นครั้งแรกผู้พบเห็นก็มักจะรู้ว่าคนนี้ไม่น่าไว้วางใจส่วนผู้ที่มีใจสูงได้รับการอบรมดีย่อมแสดงออกทางดวงหน้าและแววตาเหมือนกันใครได้พบได้เห็นก็มักจะรู้สึกว่าช่างหน้าเคารพเลื่อมใสสนิทกันไรดังนั้น ความรักใคร่หรือความเปลียดชังแม้ไม่ต้องบอกใครใครๆก็พอจะรู้ได้เพราะมันแสดงออกอยู่เสมอทั้งดวงหน้าและแววตาวาจาพอที่จะอำพลางได้แสแซงแกล้งกล่าวได้แต่ว่าแววตาจะฟ้องให้เห็นเสมอว่าความรู้สึกภายในเป็นอย่างไรโกลิตะสังเกตกิริยาอาการสีหน้าและดวงตาของสหายรักแล้วจึงแน่ใจว่า อุปติสสะคงได้พบขุมทรัพย์อันประเสริฐที่เขาทั้งสองพากันสแสวงหามาเป็นเวลานานอุปติสสะได้เล่าความทั้งปวงให้สหายรักฟังตั้งต้นแต่ได้เห็นพระอัจฉิขณะบินทบาทอยู่ในนครราชกฤตและเดินตามท่านไปจนได้ฟังธรรมจากท่านและเล่าอย่างละเอียดละออโกลิตะก็ได้ดวงตาเห็นธรรมคือธรรมมาจากสุขเช่นเดียวกับเขาทั้งสอง ได้ปลาโมดอันเกิดจากธรรมได้ดื่มรสแห่งธรรมอันพระตถาคตเจ้าทรงยกย่องว่าเลิศกว่ารสทั้งปวงเพราะไม่เจือด้วยทุกข์และโทษยิ่งดื่มยิ่งสงบประณีตไร้ความกระวนกระวายยิ่งดื่มยิ่งหวานชื่นเหมือนการบริโภคอ้อยจากปลายไปหาโคนส่วนรสแห่งโลกนั้นเจืออยู่ด้วยทุกข์และโทษนานาประการต้องกังวลต้องหวาดระแวง ความสุขแห่งโลกมักจบลงด้วยทุกข์โลภียรตยิ่งตื่มยิ่งจืดเหมือนการกินอ้อยจากโคนไปหาปลายผู้ที่ได้ดื่มรสแห่งธรรมมีธรรมเอิบอาบอยู่ในใจความสุขอย่างโลกโลกก็ไร้ความหมายเมื่อจำเป็นต้องเสวยความสุขทางโลกไม่ว่าจะปราณีสักปาณใดก็มีใจพิจารณาเห็นโทษอยู่เนงเงเหมือนผู้ที่จาเป็นต้องดื่มน้า ที่แม้ว่า น, น้ํานั่าจะใสสะอาดแต่มองเห็นปิงวนว่าอยู่ก้นขันลองคิดดูแต่ว่าเขาจะดื่มน้ําด้วยความรู้สึกอย่างไรนับถอยหลังจากเวลาที่ท่านทั้งสองคืออุปติสสะและโกริตะได้บรรลุธรรมไปไม่นานนักนับู่บ้านพลามสองหมู่ไม่ห่างจากนกาครราชพฤกษ์นักในหมู่บ้านหนึ่งพลามผู้เป็นในบ้านชื่อว่าอุปติสสะ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวังคันตะมีพระยาชื่อนางสารีมีบุตรชายคนหนึ่งเรียกชื่อตามนามของบิดาว่าอุปติศตรเรียกชื่อตามนามของมารดาว่าสารีบุตรในบ้านอีกหมู่หนึ่งพราหมณ์ผู้เป็นในบ้านชื่อว่าโกริตะมีปัญญาชื่อนางโมคขลีมีลูกชายคนหนึ่งเรียกชื่อตามนามของบิดาว่า โกริตาเรียกชื่อตามนามของมารดาว่าโมกขลานะสองตระกูลนี้เป็นสหายกันมาตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษทีเดียวบุตรของสองตระกูลนั้นมีอายุรุ่นราวคราวเดียวกันจึงได้เป็นเพื่อนเล่นด้วยกันมาตั้งแต่เด็กเมื่อเติบโตทั้งสองได้ศึกษาศิละปะาศาสตร์อันเป็นทางเลี้ยงชีพและทางที่นำมาซึ่งเกียรติยศชื่อเสียงสำเร็จทุกประการ เขาชอบไปดูมหารสพทั้งในเมืองราชจะคลึกและบนยอดเขาย่อมหัวเราะในที่ควรหัวเราะเศร้าสลดในที่ควรเศร้าสลดและให้รางวัลแก่ผู้ที่แสดงที่ตนชอบต่อมาวันหนึ่งคณะที่ทั้งสองนั่งดูมหาราศพอยู่บนยอดเขาเพราะความที่ญาและบารมีธรรมที่ทั้งสองได้บ่มมาแก่กล้าแล้วจึงเกิดความรู้ขึ้นว่ามหารสพนี้มีอะไรน่าดูบ้าง มีอะไรที่เป็นสาระบ้างคนเหล่านี้ทั้งหมดทั้งคนแสดงและคนดูไม่ถึงร้อยปีก็ต้องตายกันไปหมดเราน่าจะแสวงหาทางหลุดพ้นจากทุกข์อันเกิดจากความแก่เจ็บและตายความทุกข์จากการเวียนว่ายในสังสารวัฏเมื่อคิดดังนี้จึงไม่มีอาการร่าเริงสนุกสนานอย่างมันกน่อนอุปติสระนั่งเฉยเหมือนคิดอะไรอย่างหนึ่งอย่างลึกซึ้ง โกลิตะเห็นอาการของเพื่อนแปลกไปอย่างนั้นจึงถามอุปติสะเล่าความรู้สึกของตนให้ฟังโกริตะบอกว่าตัวเขาเองก็มีความรู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันคือรู้สึกว่าความเพลิดเพลินในมโหสพนี้มีอะไรเป็นสาระบ้างเราน่าจะแสวงหาอะไรที่ดีกว่านี้แสวงหาทางหลุดพ้นจากความทุกข์โดยสิ้นเชิงพระราดา อันว่าปฐุมชาติแม่เกิดในโคลนตมหรือในน้ําย่อมชูดอกขึ้นพ้นจากโคลนตมแหล่น้ําไม่ติดตมแหล่น้านําส่งกลิ่นหอมรื่นรมใจฉันใดบุคคลบางคนก็ฉันนั้นเกิดแล้วในโลกจเจริญแล้วในโลกแต่ไม่ติดโลกไม่ติดในโลกยะสุขอันเปรียบเส ม, มือนเหยื่อเล็กน้อยที่ติดอยู่กับเบ็ดถอนตนขึ้นจากโลกปลดปล่อยตนให้เป็นอิสระ าการย่ำยีเสียจแทงแห่งอารมณ์ของโลกไม่ต้องอึดอัดคับแค้นเพราะโลกกระทำกระแทกกระทันบีบคั้นหัวใจไม่วันไหวต่อความขึ้นลงของชีวิตพระราดาลองคิดดูด้วยปัญญาอันชอบเถิดเหมือนอย่างว่าบุรุษหนึ่งมีสองมือมือข้างหนึ่งของเขานั้นจับของที่ร้อนจัดไว้ส่วนมืออีกข้างหนึ่งของเขา จับของที่เย็นจัดไว้ของทั้งสองนั้นมีสภาพตรงกันข้ามก็จริงแต่ก็จะให้ความทุกข์ทรมานแก่ผู้นั้นเพื่อจะเท่าเทากันชันดใดสุขและทุกข์ของโลกก็ฉันนั้นลงท้ายก็จะให้ความทุกข์แก่ผู้ที่ดวงเหดียวผู้ที่ยึดถือเท่าๆกันเพราะความสุขของโลกก็เหมือนเหยื่อที่เกี่ยวเบ็ดไว้พอปลากินเหยือ่อปลาก็ติดเบ็ดคราวนี้ ก็สุดแล้วแต่ว่าพลานเบ็ดจะฉุดกระชากลากไปมัสยาที่ติดเบ็ดกับปุตุชนผู้ติดอยู่ในโลกยียสุขจะต่างอะไรกันทั้งสองคืออุปติสสะและโกริตะก็ตกลงใจกันว่าจะสละโลกยียสุขสแสวงหามโมกขธรรมแต่การสแสวงหามโมกขธรรมน่าจะได้บวชในสำนักใดสำนักหนึ่งจึงพาบริวารออกบวชเป็นปริภาชก ในสำนัก ข, ของอาจารย์สัญชัยซึ่งอยู่ใกล้กับเมืองราชคฤึ่นั่นเองตั้งแต่สองสหายและบริวารบวชแล้วสัญชัยปริพาชกก็เป็นผู้ที่เลิศด้วยลาบและบริวารล่วงไปเพียงสองสาวันอุปติสะและโกริตะก็สามารถเรียนจบคำสอนของอาจารย์เมื่อทราบจากอาจารย์ว่าไม่มีคำสอนอื่นใดที่ยิ่งกว่านี้คือหมดสิ้นความรู้ของอาจารย์แล้ว เขาทั้งสองก็คิดกันว่าเท่านี้หาเพียงพอไหมความรู้เพียงเท่านี้ไม่พอกับปัญหาชีวิตและความทุกข์ของชีวิตเราออกแสวงหาความบุญพ้นความรู้ของอาจารย์ในสระนักนี้ไม่พอเพื่อความบุดพ้นการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในสำนักอาจารย์สัญชัยจึงไม่มีประโยชน์อะไรอีกต่อไปอีกแต่ว่าชมพูทวีปนี้กว้างใหญ่นัก เราน่าจะท่องเที่ยวไปตามนิคมชนบทราชธานีคงจะได้พบอาจารย์ผู้หลุดพน้นและแสดงโมฆะธรรมนั้นแก่เราเป็นแน่แท้ตั้งแต่นั้นมาได้ยินใครพูดว่าที่ใดมีสมณพราหมณ์ผู้เป็นมนดิตทั้งสองก็ดันตนไปหาทำการสากัดฉากับสมณพราหมณ์นั้นๆปัญหาใดที่เขาถามอาจารย์ทั้งหลายไม่อาจจะแก้ปัญหานั้นได้ แต่เขาสามารถแก้ปัญหาที่อาจารย์เหล่านั้นถามแล้วได้เขาเที่ยวสอบถามอาจารย์ทั่วชมพูทวีปแต่ไม่พบอาจารย์อันเป็นที่พอใจหรือที่ให้เขาจุใจได้จึงกลับมาสู่สนักเดิมนัดหมายกันว่าใครได้บรรลุอมตรตธรรมก่อนขอจงบอกแก่กันโดยนัยะที่กล่าวแล้วข้างต้นพระราดาบุคคลมีความตั้งใจอย่างแน่วแน่สแสวงหาสิ่งใด เขาย่อมได้พบสิ่งนั้นไม่วันใดก็วันหนึ่งทุรชนสแสวงหาแต่ทางที่จะทำชั่วก็ได้พบความชั่วสาทุชนสแสวงหาที่จะทำดีก็ได้พบความดีนักปราดแสวงหาทางปัญญาก็ได้พบปัญญามุนีผู้ยสงบมุ่งความสงบก็ได้พบความสงบเย็นใจบุคคลสแสวงหาสิ่งใดย่อมได้พบสิ่งนั้น ในโลกนี้มีสิ่งที่มนุษย์สแสวงหามากใครจะสแสวงหาอะไรก็สุดแล้วแต่อุปนิสัยของเขาอันการสแสวงหานั้นที่ประเสริฐก็มีไม่ประเสริฐก็มีโดยปริยายเบื้องต่ําสัมมาชีวะเป็นการสแสวงหาที่ประเสริฐมิจฉาอาชีวะเป็นการสแสวงหาที่ไม่ประเสริฐโดยปริยายเบื้องสูงการสแสวงหาอามิตร คือลาบยศสรรเสริญและโลกิยสุขไม่ประเสริฐการสแสวงหาธรรมประเสริฐการสแสวงหาสิ่งที่มีความเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาไม่ประเสริฐการสแสวงหาสิ่งที่ไม่ต้องเกิดแก่เจ็บตายเป็นการสแสวงหาที่ประเสริฐดูก่อนพระราดามนุษย์และสัตว์โลกทั้งมวลตนเองมีความเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาอยู่แล้ว ยังเที่ยวแสวงหาสิ่งอันมีความเกิดแก่เจ็บตายเข้ามาทับถมอีกจึงต้องเพิ่มความเดือดร้อนขึ้นทับทวีคูณตรีคูณเพราะเหตุที่บุคคลผู้รู้สึกพร่องในตนจึงพยายามแสวงหาสิ่งอื่นที่เข้าใจว่าจะมาทําความพร่องของตนให้เต็มบริบูรณ์แต่เนื่องจากสิ่งที่แสวงหามานั้นมีความพร่องอยู่ในตนเหมือนกันจึงหาทําให้ใครเต็มบริบูรณ์ได้ไม่ มีแต่จะเพิ่มความพร่องให้มากขึ้นเปรียบเหมือนคนตาบอดไปสแสวงหาคนตาบอดมาอยู่ด้วยก็หาทาให้ตาของตนสว่างขึ้นใหม่ยางจะต้องเป็นภาระของคนตาบอดอีกคนหนึ่งแต่อนิจจา ก, กว่าจะรู้อย่างนี้ก็มักจะสายเกินแก้เสียแล้วสภาพของโลกจึงอยู่ในลักษณะคนตาบอดจูงคนตาบอดคนเตีย้ยอุ้มคอมเสมอมา รักเป็นสิ่งหนึ่งที่บุคคลทุกเพศทุกวัยสแสวงหาด้วยเข้าใจว่าตนจะสมูรลขึ้นเพราะมีความรักและคนที่รักเข้าใจว่าตนจะมีความสุขเพราะมีความรักแต่พอมีเข้าจริงความกังวลใจความกลัวจะเสียของรักหรือคนรักความหวาดหวั่นพันพึงต่อการที่จะพัดพรากจากสิ่งที่รักความอิจฉาริษยาอาฆาตต่อบุคคลที่มีท่าทีว่า จะมาแย่งคนรักของตอนไปเป็นอาทิเมื่อรวมกันแล้วก่อความทุกข์ความกังวลใจให้มากกว่าความสุขเล็กน้อยเพราะความเพลินใจในอารมณ์รักหรือสิ่งที่รักความไม่สมบูรณ์ในตนนั่นเองทำให้คนต้องการความรักและสิ่งที่รักส่วนบุคคลผู้มีความสมบูรณ์ในตนย่อมไม่ต้องการความรักหรือสิ่งที่รักเกี่ยวกับเรื่องนี้ พระศาสดาของเราตรัสว่าการไม่ได้เห็นสิ่งอันเป็นที่รักเป็นความทุกข์การประสบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักเป็นความทุกข์เพราะฉะนั้นจึงไม่ควรทําอะไรอะไรให้เป็นที่รักเพราะว่าการพลัดพรากจากสิ่งที่รักเป็นความทรมานเมื่ออุปติศาและโกริตะได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วจึงชวนกันไปเฝ้าพระศาสดา ส, ดาสัมมาสัพพุทธเจ้าซึ่งเวลานั้น พระพุทธองค์ประทับอยู่ณเวฬุวันแต่อุปติสสะซึ่งเป็นผู้หนักในกตันยูกะตะเวทีระลึกถึงอาจารย์สัญชัยจึงเข้าไปหาอาจารย์เล่าความทั่วปวงให้ฟังแล้วชวนอาจารย์ไปเฝ้าพระศ า, าสดา ด, ด้วยแต่อาจารย์สัญชัยไม่ยอมไปอ้างว่าเป็นผู้ใหญ่ชั้นครูบาอาจารย์แล้วไม่ควรไปเป็นศิษย์ของใครอีกเมื่อสองสหายอ้อนวอนหนักเข้า อาจารย์สัญชัยจึงถามว่าในโลกนี้มีคนโง่ามากกว่าหรือว่าคนฉลาดมากกว่าสองสหายตอบว่าคนโง่ามากกว่าสัญชัยจึงสรุปว่าถ้าอย่างนั้นขอให้พวกที่ฉลาดฉลาดไปหาพระสมณะโคดมเถิดส่วนพวกโง่โงจงมาหาเราและอยู่ในสำนักของเราแม้จะรู้ว่า ท่านอาจารย์สัญชัยพูดประชดประชันแต่สองสหายผู้มีอัธยาศัยงามเพียบพร้อมในสาวกกบารมียานก็หาถือเป็นเรื่องที่เครื่องใจแต่ประการใดไม่คงอ้อนวอนต่อไปพรานาให้เห็นว่าการเสด็จอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้านั้นยากเพียงใดการได้ฟังพระสธรรมของพระพุทธองค์เป็นของยากบัดนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จอุบัติขึ้นแล้ว และประทับอยู่นาที่ใกล้นี้เองควรจะถือโอกาสอันดีนี้ไปเฝ้าและฟังพระธรรมเทศนาแต่ว่าสัญชัยก็คงยืนกลางอย่างเดิมดูก่อนพระราดาคนที่เป็นปัทะทะประมะคนที่สั่งสอนไม่ได้นั้นมีอยู่สองจะพวกคือพวกหนึ่งปัญญาน้อยเกินไปหรือพวกปัญญาอ่อนอีกพวกหนึ่งมีทิฏฐิมากเกินไป ไม่ยอมฟังความคิดเห็นของใครๆคนทั้งสองพวกนี้สอนได้ยากหรืออาจสอนไม่ได้เลยที่พระพุทธองค์ทรงเปรียบเหมือนบัวที่อยู่ใต้น้ำติดโคลนตมมีแต่จะเป็นเหยื่อของปลาและเต่าไม่เห็นว่าชักชวนอาจารย์ไม่สำเร็จแน่แล้วสองสาหายก็จากไปสิทธิในสำนักของอาจารย์สัญชัยติดตามไปเป็นจานวนมากประนึ่งว่า ปริพาชาการามจะว่างลงสัญชัยเห็นดังนั้นเสียใจจนอาเจียนออกมาเป็นโลหิตศิษย์ของสันชัยประมาณ250คนคงจะสงสารอาจารย์จึงกลับที่ในระหว่างทางคงติดตามท่านทั้งสองไปเพียง250คนเมื่อทั้งสองถึงเวลุวันนั้นเป็นเวลาที่พระาศาสดากำลังทรงแสดงธรรมอยู่ท่ามกลางพุทธบริษัท ทอดพระเนธเห็นสองสหายกําลังมาจึงตรัดกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายสองสหายคืออุปติสะและโกริตะกําลังมาเขาทั้งสองจักเป็นอัครส า, าวกสาวกผู้เลิศของเราทั้งสองในบริวารถวายบังคมพระาศาสดาแล้วทูลขอบรรพชาอุปสมบทเพราะผู้มีพระภาคประธานอุปสมบทแบบ เอหิพิกุปุอุปสัมปทาพระศาสดาทรงขยายพระธรรมเทศนาให้พิสดารออกไปมุ่งเอาอุปณิสัยแห่งบริวารของสหายทั้งสองเป็นเกณฑ์เพื่อได้สำเร็จมรรคผลก่อนเมื่อจบพระธรรมเทศนาบริวาร250หท่านได้สำเร็จอ ร, รหัตผลส่วนสหายทั้งสองยังไม่ได้บรรลุมรรคผลที่สูงขึ้นไปคงได้เป็นเพียงโสดาปฏิผลเท่านั้น เพราะอย่างไรจึงเป็นฉะนั้นท่านว่าสาวกกับบา ร, รมีญาณเป็นของใหญ่ต้องมีคุณาลาังการมากมายเหมือนการเสด็จของพระราชาย่อมจะมีการเตรียมการมากกว่าคนสามัญอันหนึ่งคนที่มีปัญญามากย่อมต้องไต่ตรองมากไม่ได้พงใจเชื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยง่ายต้องการไข้ครวนให้เห็นเหตุผลอย่างชัดแจ้งโดยตนเองเสียก่อนแล้วจึงเชื่อและปฏิบัติตาม แต่พอสำเร็จแล้วก็ประดับด้วยกุณาลาังการทุกประการอันเป็นบริวารธรรมแห่งสิ่งอันตนได้สำเร็จแล้วนั้นพระดาเปรียบเหมือนการเดินทางคนพวกหนึ่งเดินก้มหน้าก้มตากุดๆเพื่อรีบไปถึงปลายทางไม่มองดูสิ่งใดๆในระหว่างทางเลยเมื่อถึงปลายทางแล้วก็เป็นอันว่าถึงแล้วแต่ว่าหาได้รู้ว่า อะไรๆมีอยู่ในระหว่างทางอันเป็นเครื่องประกอบการเดินทางของตัวไม่ส่วนคนอีกพวกหนึ่งค่อยๆเดินไปตรวจดูสองข้างทางอย่างถี่ถ้วนมีอะไรน่าสนใจเป็นพิเศษก็แวะชมจดจำและทำความเข้าใจคนพวกนี้อาจถึงจุดหมายปลายทางชา้าแต่เมื่อถึงแล้วย่อมมีความรู้พิเศษติดตามไปด้วยมากมายชั้นใด ผู้สำเร็จมากผลในพระพุทธศาสนาก็ฉะนั้นบางพวกเป็นสุกาวิปัสสโกคือสามารถทำลายกิเลสได้เกลี้ยงหัวใจแต่ไม่มีคุณสมบัติอย่างอื่นเช่นวิชาสาปฏิสัมพิทาสีหรืออภิญญาหกบางพวกทำลายกิเลสได้เกลี้ยงหัวใจด้วยมีวิชาสามด้วยบางพวกมีอภิญญาหกด้วยบางพวกมีปฏิสัมพิทาสีด้วย ราาพระาาอักรสาวกทั้งสองเป็นผู้ที่พร้อมด้วยอัครสาวกกับบารมีญาณแม้จะสำเร็จชา้าแต่เมื่อสำเร็จแล้วก็ประดับประดาด้วยกุณาลังการทั้งปวง